1> 5 1 1จจิตใจเต็มไปด้วยความหิวความต้องการตลอดเวลาวงเล็บเปิด 13. มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเรายึดอะไรเรารักอะไรเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างเรารักผู้หญิงสักคนเราก็ทุกข์เพราะคนนี้ง่ายเรารักลูกเราก็ทุกข์เพราะลูกง่ายลูกคนอื่นเกเรเราไม่ทุกข์นะแต่ลูกเราเรารักเราทุกข์บ้านเราเรารักไฟไหม้ก็ทุกข์บ้านคนอื่นไฟไหม้เราก็ไม่ทุกข์ กายนี้ใจนี้เป็นของที่รักที่สุดฉะนั้นร่างกายนี้พอมันแก่เจ็บป่วยแปรปลวนไปเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาจิตใจมันมีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยเลยอุจจารดิ้นรนหาอารมณ์ที่ดีที่เพลิดเพลินมาให้มันมีความสุขมันสุขเดี๋ยวเดียวนะมันก็หิวอารมณ์อันใหม่ร่างกายนี้หิววันหนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่จิตใจหิวตลอดเวลาเลยฉะนั้นจิตใจจะเต็มไปด้วยความต้องการจิตใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆทำอย่างไรก็ไม่สมอยาก ได้อย่างนี้อย่างที่อยากแล้วก็จะอยากอย่างอื่นอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นจิตใจจะหาความสุขไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไปรักไอ้ของไม่ดีอย่างนี้นะเราต้องไปตามใจมันเรื่อยๆเรามีภาระมากท่านถึงสอนว่าขันห้าเป็นภาระขันห้าเป็นของหนักคนที่แบกภาระแบกของหนักเนี่ยไม่พ้นจากทุกทั้งปวงพระอารหันต์ท่านวางของหนักลงไปแล้วเพราะว่าท่านไม่รักกายไม่รักใจแล้วก็วางของหนักทิ้ง มันก็ทรงสภาพอยู่เท่าที่มันอยู่ได้ใครจะมาอราธนาอยู่ร้อยห้าสิบปีร้อยี่สิบปีร้อยปีแปดสิบปีมีหลายเรทนะทำไมไม่นัดกันมาก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่มาอาราธนาไม่เหมือนกันสักคนชาวพุทธจริงๆไม่ต้องมาอราธนาเพราะควรจะรู้ว่าขันห้าเป็นวิบากแล้วแต่กรรมมันจัดสรรมานะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ได้ตามกิเลสตามอยากโดยเฉพาะพระอรหันต์ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่ ขณะเดียวกันพระอารหันต์ก็ไม่ได้เกลียดการมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่วิบากพอเราไม่รักกายไม่รักใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจถ้าเรารักกายรักใจมากเราก็ทุกข์มากถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะมันจะค่อยๆ ค, คลายความรักลงไปความจริงของมันไม่น่ารักอย่างความจริงของร่างกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะหายใจออกหายใจเข้าเต็มไปด้วยความทุกข์นะใครไม่เชื่อก็ลองหายใจเข้าอย่างเดียวหรือหายใจออกอย่างเดียว เดี๋ยวก็จะรู้ว่าทุกอย่างไร